46กันตะกะสัมมณีนวัตถุว่าด้วยการนาสนะสมมเณีนกันตะกะองค์10บสำหรับนาสนะสนัมมณีนสมัยนั้นสัมเณีนของท่านพระอุปนันทสักยบุตรชื่อกันตะกะได้ประทุสร้ายภิกษุณีชื่อกันตะกีภิกษุทั้งหลายพากันตําหนิระนามโพลนทนาว่าชนัยสัมเณีจึงได้ประพฤติไม่สมควรเช่นนี้แล้ว จึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้น า, นาสนะสำเนินผู้ประกอบด้วยองค์สิบคือหนึ่งฆ่าสัตว์สองเถ้าของที่เจ้าของไม่ได้ให้สประพฤติกรรมอันไม่ใช่พรหมจรรย์สี่พูดเท็จห้าดื่มน้ำเมา6 ก, กล่าวตีเตียนพระพุทธเจ้า7กล่าวตีเตียนพระธรรม8กล่าวตีเตียนพระสงฆ์9มีความเห็นผิด 10. ประทุตรายภิกษุณีภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้นาสนะสมณจผู้ประกอบด้วยองค์สิบเหล่านี้